ตอนที่สาสิแปดผ่านพ้นวิกฤตเหล่าเจิง้งเจ้าชุนหวาอุทานด้วยความตกใจพลางรีบวิ่งเข้าไปดูอาการของเขาทุกคนต่างพากันตกใจกับเหตุการณ์กระทันหันนี้เจิ้งอวิ๋นชงเป็นคนแรกที่ได้สติและบอกว่าต้องส่งโรงพยาบาลแม่พวกเราไปโรงพยาบาลกันเถอะเออได้เจ้าชุนหวาตอบ ก, กลับทันทีโดยไม่ต้องคิดหลีชิงผิงและหลีหวันรีบตามไปโรงพยาบาลเรื่องของวันนี้ค่อยว่ากันทีหลัง วงกลัวเชียงและคนอื่นๆก็รู้ว่าเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วจําเป็นต้องกลับไปปรึกษากันใหม่เจิงเศร้าสิงหวาดกลัวจนทําอะไรไม่ถูกเมื่อครูหนี้ท่านผู้เท่าเจิงลม้มลงข้างกายเขาพอดีเขาไม่เคยเห็นหน้าพ่อแม่มาตั้งแต่เด็กเป็นท่านผู้เท่าเจิงเจ้าชุนหวาและอาสองที่เลี้ยงดูเขาจนเติบโตตอนนี้ท่านผู้เท่าเจิงต้องมาล้มป่วยเพราะปัญหาที่เขาก่อขึ้นหากเกิดอะไรขึ้นมาจริงๆเ จ, ง จ, งจิงเศร้าสิงคงไม่มีวันให้อภัยตัวเองไปตลอดชีวิตเข้าตรู่อย่างนี้เอะอะไรกัน เจิงเซาหยางที่เพิ่งตื่นนอนเดินวงเงียออกมาพลางพึมพำที่รองท่านพูเทาเจิงท่านเป็นลมไปแล้วเจิงเซาซิงขอบตาแดงกำ่ำท่านท่านจะเป็นอะไรไหมนายว่าอะไรนะเจิงเซาหยางได้ยินดังนั้นก็ตาดว่างทันทีเจิงเซาซิงยกมือขึ้นเช็ดน้ําตายอย่างด้วยรัน้นท่านพูเทาเจิงโกรธผมจนเป็นลมไปทั้งหมดเป็นความผิดของผมเองตอนนี้เพิ่งจะมารู้ตัวว่าผิดไม่คิดว่ามันสายไปหน่อยเหรอเจิงเซาหยางไม่ทันแม้แต่จะสวมรองเท้าให้เรียบร้อยก็รีบวิ่งออกไปข้างนอกทันที เรื่องเศร้าสิ่งสะอื้นให้ในใจภาวนาขออยากให้ท่านผู้เท่าเจิงเป็นอะไรเขาไม่อยากสูญเสียญาติไปมากกว่านี้แล้วท่านผู้เท่าเจิงถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาในทันทีสาเหตุเกิดจากการถูกกระตุ้นอย่างรุนแรงจนทําให้สมองขาดเลือดชั่วคราวและหมดสติไปหลังจากตรวจอย่างละเอียดแพทย์แจ้งกับพวกเจิงอวินชงว่าอาการไม่รุนแรงครับเป็นอาการปกติที่พบได้ในผู้สูงอายุคือหลอดเลือดหัวใจและสมองเสื่อมตามไปต่อไปอย่าให้ผู้เท่าถูกกระตุ้นจนโกรธอีก โชคดีที่ครั้งนี้แค่หมดสติเพราะขาดเลือดถ้าเกิดเส้นเลือดในสมองแตกขึ้นมาเกรงว่าพวกคุณจะส่งมาไม่ทันการครับครับขอบคุณครับหมอต่อไปพวกเราจะระวังครับเจ้งหวินชงทอนหายใจด้วยความโล่งอกท่านผู้ท้อไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วให้น้ําเกลือให้หมดก่อนแล้วรอดูสภาพจิตใจของท่านว่าเป็นอย่างไรถ้าไม่มีปัญหาอะไรพวกคุณก็พากลับบ้านได้เลยหมอพูดจบก็เดินจากไปบรรยากาศที่เคยตึงเครียดและกดดันในห้องพักผู้ป่วยเริ่มผ่อนคลายลงบ้าง ลิชิงทิงคอยปลอบโยนแม่สามีไม่ให้กังวลคุณหมอก็บอกแล้วว่าคุณพ่อไม่เป็นอะไรต่อไปพวกเราแค่ต้องระวังให้มากขึ้นก็พอคะ่ะเขามันพวกนี้ใสเหมือนประทัดจุดติดง่ายมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วสมัยหนุ่มๆอารมณ์ร้ายกว่านี้อีกครั้งนี้เจ้าชุนฮวาตกใจมากจริงๆนางรู้ดีว่าคู่สามีภรรยาไม่ช้าก็เรือฝ่ายหนึ่งต้องจากไปก่อนอีกฝ่ายแต่นางยังคำใจยอมรับไม่ได้ความโกรธทำลายสุขภาพโรคภัยแค่เจ็บมากมายล้วนเกิดจากอารมณ์โกรธ ลิวันยืนอยู่ข้างเตียงอาศัยจังหวะที่ไม่มีใครสังเกตแอบปลจชีพจรให้ท่านผู้เฒ่าเจิ้งสำหรับกรณีของท่านจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องกินยาสมุนไพรจีนเพื่อบำรุงร่างกายคนที่ชอบโมโหโทโซมักจะมีตับที่ไม่ดีเสียวันต่อไปถ้าเจอเรื่องแบบเมื่อคืนอีกลูกจะพุ่งเข้าไปปกป้องเศร้าซิงตรงๆแบบนั้นไม่ได้นะมันเสี่ยงเกินไปเจิ้งหวิ่งฉงพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังลูกควรจะตะโกนเรียกคนมาช่วยปกป้องตัวเองให้ดีก่อนแล้วค่อยหาทางช่วยคนอื่น ในใจของหลีวันรู้สึกอบอุ่นขึ้นมาคําพูดนี้เมื่อคือนนางได้ยินหลีชิงถิงพูดไปแล้วครั้งหนึ่งวันนี้มาได้ยินเจิ้งอวินชงพูดอีกรอบแสดงว่าในใจของเขาเห็นนางเป็นลูกสาวที่ต้องหงอใหญ่จริงๆพูดถูกแล้วเจ้าชุนฮาวาที่อยู่ข้างๆเสริมขึ้นอย่าจะบอกให้นาลูกเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆใจกล้าเกินไปแล้วถึงขั้นลงไม้ลงมือกับพวกนั้นลูกไม่กลัวเสียเปรียบหรอรีบบอกย่ามาสิเมื่อคือนพวกนั้นไม่ได้ทําอะไรลูกใช่ไหมเปล่าค่ะพวกเขาไม่ได้แตะต้องแม้แต่เส้นผมของหนูเลย ลิวันยกยิ้มมุมปากพลางตอบอย่างจริงจังพ่อขหนูมั่นใจว่าสู้พวกเขาได้หนูจะไม่ทำอะไรที่ตัวเองไม่มั่นใจหรอกคะ่ะอืมดีแล้วเจ้างวินชงเมื่อได้ถึงเรื่องนี้เขาก็ไม่คิดจะปล่อยให้เรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องเล็กกลายเป็นไม่มีอะไรเววตาของเขาหม่นลงดูเถาวงกวยเชิงคนนี้จะเบื่อตำแหน่งรองผู้พันแล้วสินะชู้เจ้าชุนฮวารีบเตือนเขาด้วยความระแวดระวังระวังคำพูดหน่อยหน้าต่างมีหูประตูมีช่องในใจลูกคิดจะทำอะไรก็ไปทำเถอะไม่จำเป็นต้องพูดออกมาไม่ว่าลูกจะตัดสินใจยังไง แม่ก็สนับสนุนลูกเสมอเจ้างอาวินชงตัดสินใจในใจเรียบร้อยแล้วหวังจื้อคังและคนอื่นๆต่างก็นอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแห่งนี้ปัญหาเรื่องดวงตายังคงไม่ดีขึ้นแม้จะเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาที่เก่งที่สุดในเขตทหารมาตรวจก็ยังหาสาเหตุไม่ได้ว่าอะไรที่ทําให้ตาบอดหมอมากกว่าหนึ่งคนแนะนําให้ผู้ปกครองทําใจไว้ล่วงหน้าแต่ข่าวนี้ทําให้บรรดาพ่อแม่รับไม่ได้เด็กดีๆทําไมถึงกลายเป็นคนตาบอดไปได้กระทันหันแบบนี้ รองผู้พันหวังคุณดูสิว่ายังพอจะมีวิธีอื่นไหมลองเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านดวงตาที่เก่งกว่านี้มาดูอาการเด็กๆหน่อยได้ไหมฉันได้ยินมาว่าจากสูแพทย์ในต่างประเทศก็เก่งมากเหมือนกันใครพอจะมีกําลังติดต่อได้บ้างใครจะมีบารมีขนาดติดต่อหมอต่างประเทศได้ละ่ะหมอที่เพิ่งตรวจตาให้เด็กๆ เ, เมื่อกี้ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดวงตาที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศแล้วนะลูกชายฉันยังเล็กขนาดนี้จะต้องกลายเป็นคนตาบอดไปตลอดชีวิตเลยเหรอ คือหอลูกแม่น่าสงสารเหลือเกินร้องอยู่นั่นแหละรู้จักแต่ร้องให้ถ้าร้องให้แล้วมันมีประโยชน์พวกเราทุกคนมาสมหัวกันร้องให้ที่นี่ไม่ดีกว่าเหรอยังจะต้องมาหาทางแก้อะไรกันอีกวังกลัวชิงตวาดออกมาอย่างรำคาญใจเสียงร้องให้ไวๆทําให้เขารู้สึกปวดหัวเขาขมวดคิ้วแน่นพวกเราไปหาเจิ้งอวินชงมาแล้วท่าทีของเขาชัดเจนมากคือโยนความรับผิดชอบทั้งหมดมาที่เด็กๆของพวกเราเขาไม่ยอมรับผิดชอบอะไรเลย ฉันเองก็มีกำลังจากัดพวกคุณอย่าลืมนะว่าตระกูลเจิง้งมีท่านผู้เท่าเจิ้งอยู่อีกคนในที่นี้จะมีใครสักกี่คนที่มีความกล้าไปล่วงเกินตระกูลเจิง้งท่านผู้เท่าเจิ้งแล้วมันยังไงวิเศษวิโสมาจากไหนหรือว่าพวกเขาจะสามารถทําอะไรตามใจชอบในเขตทหารได้ใช่ฉันว่าพวกเราไปร้องเรียนต่อหน้าผู้นําเขตทหารเลยดีกว่าฉันไม่เชื่อหรอกว่าในโลกนี้จะไม่มีที่ให้พูดจะตามหลักเหตุผลพวกเราคนเยอะพลังก็เยอะ ตอนนี้ลูกๆของพวกเราเป็นฝ่ายเสียเปรียบแถมยังต้องเสี่ยงกับความพิการตลอดชีวิตพวกเราต้องสามาัคคีกันยิ่งทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ได้เท่าไหร่ยิ่งดีเมื่อเห็นว่าเรื่องราวเป็นไปตามที่เขาคาดการไว้หวังกลัวเฉียงก็ยกมือ ข, ขึ้นขัดจังหวะด้วยความพึงพอใจในเมื่ทุกคนตกลงกันได้แล้วอีกสักพักพวกเราจะไปหาผู้นาเขตทหารเพื่อขอความเป็นธรรมไปอย่ารอช้าเลย ก่อนจะออกจากห้องพักผู้ป่วยหวังกลัวเฉียงกำชับภรรยาให้ดูแลลูกชายให้ดีหวังจื้อคังรู้สึกหวาดกลัวต่อการตาบอดของตัวเองมากเขาไม่อยากใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในความมืดมิดจึงพยายามคว้าสเปะสปะไปทั่วพ่อพ่อครับรอเดี๋ยวก่อนจืออ้อคังตอนนี้ลูกไม่ต้องคิดอะไรทั้งนั้นรักษาตัวให้ดีเถอะหวังกลัวเฉียงยกมือขึ้นตบหลังมือลูกชายรอพ่อกลับมาพ่อจะทวงความเป็นธรรมให้ลูกแน่นอนพ่อ หวังจื้อคังเริ่มร้อนใจไม่ได้ยินว่าในห้องพักผู้ป่วยไม่มีเสียงคนอื่นแล้วเขาจึงคว้าแขนแม่ของเขาด้วยความหลนลานแม่ครับดวงตาของผมตอนนี้เรื่องสําคัญคือรักษาตาของผมไม่ใช่หรอครับให้พ่อไปหาเรื่องพวกเขาทีหลังไม่ได้เหรอคังคังพ่อเขาทําแบบนี้ต้องมีเหตุผลของเขาลูกอย่าเพิ่งรีบร้อนไปเลย